ปัญดาลูกหลานที่รักและท่านพระศาสนาสังกชนหลางหลายวันนี้ก็มาพบกันกับในเรื่องราวของมหสถพบรรลิตต่อไป <c oughs> เพราะนั้นว่าในวันก่อนเมื่อมาจบลงตอนที่พระเจ้าวิเทราชพระรมกษัตริย์เห็นกองทัพใหญ่เคลื่อนมาเริ่มสงสัย คิดว่าเป็นกองทัพของพระเจ้าจันนพรมทัศน์แต่ขันธรร์ธมอาจารย์สีอาจารย์ัสีเห็นโมโหสถนำหน้ามาก็เลยมีความเข้าใจว่าเป็นเรื่องเป็นกองทัพของมโหสถเ ม, มื่อมโหสถเข้าถึงกรุงมิถิลานแล้วพระเจ้าวิทีฮราชได้ลุกไปต้อนรับสมกอดมโหสถต่อทได้ตัด ถ, ถามว่าพ่อมโหสถ พ่อกลับมาได้โดยปลอดภัยพร้อมกับนำกองทัพมามามาม า, ม า, มาด้วยเช่นนี้พ่อะอะไรเล่าให้พ่อฟังเถิดเป็นนั้นว่ามโมโหสได้ิตกราบทูลว่าข้าแต่พระจอมวิเทหารัฐข้าพระพุทธเจ้ากลับมาด้วยสการสวัสดีภาพครั้งนี้ก็เพราะว่าข้าพระพุทธเจ้าใช้ปัญญาความคิดเอเล็กซิงสุขขุม ปฏิป่าอุปรสรรคนานาประการให้หมดสิ้นไปด้วยตนเองหนึ่งข้าพระพุทธเจ้ายัได้รับพระราชทานรางวัลเจ้าพระจ้าจุลนีอีกมากมายมีทองคาหนึ่งพันลิ่มบ้านสวยแปดสิบบ้านทาสหญิงสี่ร้อยพัญยาหนึ่งร้อยคนข้าพระองค์ได้นำมาในคราวนี้ทั้งหมดพรเจ้าวิเทราทรงปื้มพระไทย หันดยตราจ้าเสนก่วนี่นะอาจารย์เสนกการอยู่ร่วมกับผลิตเป็นสุขดีจริงๆอ้อส ด, ดได้ปลได้ปดเลือกพวกเราทั้งหมดจากภัยใหญ่ก็ดูจึงว่าปล่อยนกออกจากกรงทองก็กรงเหล็กดีไม่ดีก็กรงหอกแร้ปล่อยปลาออกจากแห่ฉะนั้น เจน ก, กระพูนสนองพระราชดำรับว่าเป็นความจริงไปะเจ้าค่ะพระเจ้าวิเทหราชทรงรับสั่งให้ตีกรองประกาศในที่ในพระดาครว่าขอให้ชาวพระดครนจงเล่นมโหรสพนะเป็นการสมโพธ์เฉลิมมโหสถเจ็ดวันเจ็ดคืนเอาวะที่นอนก็เจ็ดที่นี่ก็เจ็ดต่อมา <c oughs> จำละครตล อ, อดจนชาชนบทไม่ได้ฟังประกาศต่างก็พากันสนุกสนานยกธงติดไปทั่วไปนี่เมือง น, นี้เขาแปลกเวลาข้าศึกยกมาตีเขาเล่นมหัศกสนุกชนะข่าศึกเขาเล่นมหรศกนี่ลูกหลานที่รักเรื่องปัญญาเป็นเรื่องสำคัญลูกหลานศึกษามาจงยาใช้แต่สัญญาคือความจํา อย่าจำแต่เพียงเขาบอกเขาก็บอกบอก็ใช้ปัญญาแล้วก็หาเหตุหาผลการศึกษาประวัติศาสตร์ประเทศไทยเราต้องพินาศกร็รายจำไว้เวงกิจนั้นแล้วก็ที่าประเทศไทยเรากู้ชาติราตีกราชก็เหตุใดจำไ <c oughs> ว้โดยเฉพาะอย่างยี่ในครั้งหลังสุดดวงเสียยุติยาที่เราเสียไปพระพยาจักรี เป็นคนไม่ดีชักน้ำเข้าลึกชักศึกเข้าบานแต่ต่อมาพระเจ้าตากสินหาราชซึ่งเป็นหันหน้าใหญ่มีกำลังพลเพียงห้าออร้อยคนตีฝ่าไปและรวบรวมกำลังได้ประมาณห้าพันคนคนนิดเดียวห้าพันคนเห็นไหมนิดหน่อยเท่านั้นเท่ากำลังหนึ่งกองพลสมัยปัจจุบันหรืออาจจะไม่ถึงไม่ถึงหนึ่งกองพล เป็นกาลังเพียงแค่หนึ่งกองพลเล็กๆใหญ่ๆกยยํยยาลังอาวุธก่อ น, น้อยกําลังคนก่อ น, น้อยทรัพย์สินก่นน้อยพระเจ้าะจะตากสินไ ม, ไม่ไม่ใช่กษัตริย์ไม่ได้เป็นกษัตริย์มาก่อนแต่ถ้าว่าอาศัยความสามัคคีใช้มีปัญญาดีมีมันสมองได้แม่ทัพที่มีความสองคันสองทันก็คือทรงจะรู้พระทธยยาฟาจุลาโลก ก็สำเร็จข้าเจวังบวรนั้นแม่จากนั้นทหารทุกคนก็มีความสามาัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเห็นว่าความเป็นไทยดีกว่าความเป็นธาตเราไม่ขายชาติดีกว่าทำลายชาติจึงสามารถกู้เอกราชได้ภายในหนงปีความดีอันนี้ขอลูกหลานจงจำไว้ เราเป็นคนไทยที่รักษาความเป็นไทยอย่าทำลายความเป็นไทยเรื่องอะไรการปกครองแบบไหนน้ำหลปู่บอกแล้วว่าไม่สำคัญที่ประเทศไทยเราเป็นกษัตริย์อยู่ได้นั้นเราก็ปกครองกันมาแบบนี้คือมีพระราชามีพระเจาา้าหน้าเต็มที่แต่ด้ว่าความจริงมันเป็นเพียงแค่ชื่อเท่านั้น ในสมัยนั้นเวลาจะทําอะไรก็ต้องประชุมมุขมนตรีคนที่มีความรู้คนมีความสามารถมีประสบการณ์ในกิจการงานมามากเอา ม, มาปรึกษาหารือกันแต่ว่าในสมัยปัจจุบันเราเป็นประชาธิปไตยประชาธิปไตยนี้ท่านได้คนดีเข้ามามันก็ดีเวลาจะเรียกผู้แทนรัศดรลกรักหลานรัก ย้อเลือกแต่คนที่เคยมีประสบการณ์ก่อแล้วกันไอ้ประเภทเป็นนั่งพพุยพุยพุยน้ำลายเตือสะฮาเราเรื่องอะไรไม่ได้ในที่สุดเขาเองเขาก็เป็นคนรวยความจริงเราช่วยเขาก็เ ข, ข, ข้าไปรวยเราช่วยเขาค้างเขาเข้าไปโกงเราเราก็โวษเขาไม่ได้มาเป็นความโง่ของเราหลวงู่คิดว่าถ้าเราจะเลือก ก็ต้องสือประวัติเสียก่อนว่าคนเป็นคนดีหรือเปล่ามีประสบาการณ์ในงานบ้านงานเมืองมาหรือเปล่าและโดยเฉพาะอย่างอิ่งหลวงปู่มีความคิดเห็นอยู่อย่างหนึ่งอาจจะล้าไม่ทันสมัยแต่ก็ไม่เป็นไรลูกหลานคิดไว้ก็แล้วกันว่าเวลานี้คนไทยเรามีการศึกษายัางไม่ดีพอ ถ้าบาอิญรัฐธรรมนรูญเขาจะเขียนไว้ว่าผู้ทแทนราศดรทั้งหมดไม่มีสินนทธิเป็นรัฐมนตรีคนที่จะเป็นรัฐมนตรีเลือกเอาคนดีเข้ามาและผู้แทนทําหน้าที่ของผู้ทแทนรัศดร อ, อย่างจริงจังอย่างที่หลวงปู่เคยยกตั ว, ว่าตัวอย่างว่านายสว่างสนิทพันธุ์ ผู้แทนจังหวัดสุพรรณบุรีความจริงสมัยนั้นทุกจังหวัดเขามีคนดีเกือบทั้งหมดจะมีคนแมงแมงบ้างกับบางคนเท่านั้นรุ่นนั้นผู้แทนรัศดรเขาดีจริงๆเขาเป็นผู้แทนจริงๆโตอตอบอาหารประโยชน์เพื่อบรรดาประชาชนถ้าบังเองิญรัฐธรรมนูญของอเราจะร่างไว้อย่างนั้นนะเอาสักชั่วคราวเป็นบทเฉพาะการ แล้วก็เอาคนดีเข้าปเป็นเป็นใค้คนที่จะเป็นผู้ทนนสันดอนนะต้องเป็นคนดีถ้าหากว่าผู้แทนพวกเราเข้าไปไม่ดีและทํานโมงก็ควจะร่างไว้ว่าสามารถจะถอดถอนผู้ทานคนเก่าออกไปได้แล้วก็ไปต้องเลือกใหม่เอาคนให้ได้คะแนนรองขึ้นมาแทนผมปู่ว่าถ้าทําได้อย่างนี้นะบ้านเมืองของเราจะดีกว่านี้มาก สำหรับรัฐบาลเลือกคัดจากคนที่มีประวัติดีๆทำจริงทำจังถ้าโพสทยงคนใดไปพูดน้ำท่วมท่งพระบ้งหลงแหล ง, ลงไม่ได้เรื่องให้คัดออกได้ทันทีโดยมติของสภาหรือว่ามติของประธานสภาอย่างนี้ก็คิดว่าจะดีแต่หากว่าลูกหลานเห็นว่าไม่ดีก็ช่างเถิดไม่เป็นไรเพราะรู้ ป, ปู่เป็นคแก่ มันเป็นคนเก่าแลต่ละเก่าที่มีประสบาการณ์ผ่านมาลองเอาไปคิดเอาไปใจจองกันดูที่เราเลือกตาสีตาสาเข้าไปเราได้อะไรกันบ้างบ้านเมืองเกือบสะทิภไยมันไหลมันหลายว่าระทั้งนี้ก็เพราะว่าเราได้คนเลวเข้าไปด้านาการได้คนเลวเข้าไปเราจะไปโทษเขาต้องโทษเราเองที่ไม่ใช้การพิจรารณาไม่ใช้ปัญญาอย่างเหมอสด เราคุยก็เรื่องมหฮอกสดต่อไปในเมื่อเขาฉะหลองเจ็ดวันเจ็ดคืนแล้วต่อมาชาวมนครและชาชนบทไม่รับการเดรัต่านก็สนุกกันใหญ่ยกธงติดตั้งทั่วไปฝ่ายในซึ่งมีพระ น, นาวุฒิพรได้ทวีก็เป็นกรรมการได้นำอาหารนำอาหารมาให้มโหสด พร้อมได้วยผู้ติดตามจากโอทระปัญจาละนครโมหิสดในไปยังพระราชาสนักเป็นวันสุดท้ายของการาเลนเ่นความเป็นวันสุดท้ายของการมีมหรสถเข้าไปกราบทูลพระราชาว่าข้าแต่ส ม, มุติเทพควรที่พระองค์จะจะส่งพระราชนานี พระราชเทวีและพระราชบด ร, ราชโอรสขมัเจ้าเจรนีกลับไปอุตรปัญจารานครโดยเร็วเถิดพระเจ้าข่าพระเจ้าวิเทราชินีตัดว่าดีแล้วอมหสถเจ้าจงใจการส่งไปเถิดอมหสถได้จัดส่งสด็จเกลือสัตว์สามกลับอุตรปัญจารนครทั้งมอบพัญญาร้อยคน ่าตหญิงสี่ร้อยคนที่พระเจ้าจุนันีพระอจะทานมาเจตนถวายพระนาง น, นันทาเทวีไปด้วยร้อยคนนี่จ่ายครบหรือยังก็ไม่รู้นี่เจ็ดวันหน้าก็ยังจ่ายไม่ครบหรอกจ่ายไม่ไหวค่าใช้จ่ายมากแล้วคงไม่ได้จ่ายเลยนะแดงวันจะส่งกลับคืนกลับไป พนาลันทาทีวีส่งดีปทศไทยที่ได้กลับไปหาพระราชสวามีแต่กาส่งเศร้าปทศไทยที่ต้องจากพระ <c oughs> ราชธิดาพนาสงกรดพระราชธิดาจมพิระเสียนจุมพิคก็คือโจรและจัดลาด้วยความอะไยว่าลูกหญิงของแม่แม่ลาแล้วนะลูกอยู่ทันนี้จงทําตนให้เป็นที่รักของพระเจ้าวิเท迦ราช พระราชสวามีดีเถลุกรักตัดแล้วทรงประกันแสงข้ามคนแทบจะขาดพระไทยจะขาดใจตายฟังพนางปัญจาลันทีก็ทรงทราบว่าพระมารดาพระทรงกราบพระราชมารดาแล้วก็ทรงโศกกกันแสงให้แต่อะไรไม่ออก เมื่อการสัตย์สารต่างจากอาอกจักรวรรดิมีผู้คนไปสง่งเสด็จกันมากมายจนกรทั้งพเขีดเฮนริติลามานครสง่งคณะผู้ไปส่งกลับสำหรับพระเจ้าจุ น, นัีพระมตทรงดีปไทัยที่เห็นพระราชชนนีไม่เสียสีและพระราชโอรสกลับมาได <c oughs> ้ตรัสุนันนากับพระราชนนีว่าข้าแต่พระมันดา พระเจ้าวิเทหราชทรงปฏิบัติแก่พระมารดาอย่างไรบ้างหรือทรงเบียดเบียนให้ได้รับความเดือดร้อนอย่างไรบ้างเพื่อนาวสลากเทวีราชชนีจึงตรัสว่าตัดอะไรอย่านั้นลูกพระเจ้าวิเทหราชปฏิบัติแก่มารดาเหมือนปฏิบัติแก่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คนในกาลสการะบูชา มีบัดแก่วานางนันนางนั น, านาทาเทวีเหมือนกับเป็นพระมารดาพระราชมารดาจะปฏิบัติแกบพ่อบัญจาระจันทะภุ ม, มานเหมือนกับปฏิบัติกับพี่ชายอเหมือนกับรักแก่กนิภาดาเมื่อน้องชายพระเจ้าจุล น, นีได้สดับพระราชมารดารับสัง่กสงก็ทรงยินดีดีใจมาก ได้ส่งเครื่องบรรณาการปฏตบันตะไปถวายพระเจ้าวิเทหราชเปอันมากตั้งแต่บัดนั้นไปต้นหมากษัตริย์ทัางสมาครก็เชื่อมสัมพันธไมตรีซึ่งกันและกันอด้ความพร้อมเพรียงชื่นชมโดยสวัสดีภาพตลอดมาเรื่องน่าจะจบตอนนี้แต่ยังไม่จบพระเจ้าวิเทหราชทรงมีพระราชโอรสกับพนังนปัญจาระาจันทีเนงโง หลังจากที่เดทรงอยู่ร่วมกันมาสองปอีสองปีมีลูกคนน้วอุทมพรนมีลูกเปล่าไปหรืกแล้วก็มีพระราชโอรมีพระราชโอรสมีพระชนมยุได้สิบสรษาเฮ้ยสองปีลูกสิบปียังไงหมายความเมื่อแต่งงานกันได้สองปีก็มีลูกหนึ่งคนเมันปีที่สิบสองลูกก็มีอายุสิบปี พระเจ้าวิเทาราชก็ทรงสวรรคตตายอีธานิยงและไมยงว่ากันไปใหม่พระราชรถทรงเป็นรัชชายาตได้ครองราชสมบัติต่อมาจากพระชนกคือพระราชบิดามโหสถระลึกนึกถึงคำปริยนของตนที่จะไหว้ไว้แก่พระเจ้าเจ น, นิณีว่าหากพระเจ้าวิเทาราสวรรคต และตนยังมีชีวิตอยู่จะไปรับราชการในพระาพระาชสาสนาขมเจ้าจุนลณีแห่งอุตรปัญจาญนนครเพื่อรักษาสัตว์ปฏิญานนั้นโมโหสดจรได้เข้าไปเฝ้าพระาพระาชุมันพระราชุมานคือพระราชาองค์ใหม่กราโทรโว่าขอเดชะข้ารพระพุทธเจ้าเถาิดบัดวยย่ยาสยัตว์ปฏิญาณขมัจ้าจุนลณี พระอายกาของพระองค์ว่าเมื่อพระเจ้าวิธีหราชสวรรคตแล้วจกไปรับราชการณอุตรปัญจาศนครเพื่อเรักษาสัตว์ปิยานนั้งข้าพระพุทธเจ้าขอกราบถวายบังคมลาไปรับราชการกับพระเจ้าจุนนีพระอายกาของพระองค์ขอสืบตรวจงอบญายิฆ่าพระเจ้าเถิดพระเจ้าข้า ก็เระยาชาวทรงดำริว่ามโหสถทั้งสาสัตว์ปฏิญาณที่ได้ถวายไว้แก่พระยากาของเราหากจะห้ามก็คงไม่สําเร็จเพระมโหสถเคารพในความซื่อสัตย์อย่างยิ่งยิ่งกว่าชีวิตเมื่อดำริดังนี้แล้วจึงในทรงตรัสว่าท่านบัณฑิตไปเกิดไปอยู่กับพระยากาแต่คอยไปไปมามาห า, าสุระบ้างจะทอดทิ้งกระเสีย เมือง น, นี้เป็นเมืองเก่าเมืองแก่เมืองเดิมของท่านยายทอดทิ้งกันเอาอย่างนี้กันแล้วกันคอยเป็นที่ปรึกษาทั้งสองเมืองเมื่อโหรสดไม่รับพระราชย์เลยรับพระร ม, มราชานุ ญ, ญาตจากพระราชาแล้วก็กราบถวายบังคมลาออกมาพอถึงเวลากำหนดก็พาคณะข้าขตนเดินทางออกจากมิถิลามาหานคร พไปสู่อุตรประเทศราละนครพระเจ้าจุล น, นีเมื่อทราบว่ามโหสถเดินทางมาถึงอุตรประเทศราละนครจึงตั้งกองต้อนรับนํามโหสถเข้าสูาส่พระนครพระราชทานบ้านให้มโหสถอยู่เพราะไม่ดูคณะติดตามมาสำหรับโมโหสดรับระชการอยู่กับพระเจ้าจุล น, นีด้วยความซื่อสัตย์ ้าสุกตลอดมา น, นางนันทาทเทวีไม่ใหสีขมิ้นเจ้าจุนันทสมผูกก็ไทยเจ็บแขนหนสดสตลอดเวลาเอาละสิวาลนะอยู่ที่นอนดีๆมาเจอดีและลูกหลานที่รักเรื่องนี้มันเป็นเรื่องธรรมดาถ้ามีอะไรเกิดขึ้นกับตนอย่าเดือดร้อนจริเกินไปถือว่าเป็นเรื่องธรรมดานี่เขาเจ็บแขนมันแบบนางมาคณยาเจ็บแขนเรพาพธเจ้า ที่หมอสดทำให้ว น, นางพัดพ้าจากพระราชสวามีมื่อค่ะที่แล้วนางจึงตรัสสั่งหญิงที่สนิทห้าร้อยนางให้คอยจัดผิดหมอสดและจะได้ทูลนัราชาลงโทษทีสมแขนทรั้งกล่าวว่านะพระราชนิเวศเขาไม่เ จ, าจนน้าจรรยล มีปริภาชิกาเป็นปริภาโชคอะถ้า <c oughs> คนนอกศา ส, สนามานาาาพีพระนอกศาสนาปริภาจิกาพวกชีชีพชระผู้หญิงนางหนึ่งที่ว่าเสภีได้มาฉันพระาหารในพระราชเนืเวทเป็นประจํานางเป็นบัณฑิตมีความเกยบแหลมมากนางได้ทราบข่าวว่าเอาแล้วเอาตัวจังไรามาประมาทเจอกันอีกแล้ว ขโมหศตรันติตได้มาประจำอยู่ในพระราชสำนักแต่ว่ายังไม่เคยเห็นหน้าทั้งโมหศตรก็ยังไม่เคยเห็นนางนางเพรีบริภาชิกาได้ยินแต่กิริศว่านางฉลาดมากยิงอยากจะได้พบปาสนทน า, นากันแล้วนางเพรีปริภาชิกาก็ใคล้ายอยากจะพบสนทน า, นากับขโหสถเหมือนกัน นี่ได้ว่าบัณฑิตกับบัณฑิตอยากจะพบ ก, กันคนฉลาดกับคนฉลาดวันหนึ่งมงโหสถเดินมาถึงหน้าพลานเพื่อจะเข้าเฝ้าตามปกติก็พอดีนางเฟรีฉันพระนาเสร็จแล้วก็ออกไปพบ ก, กันที่หน้าพลานหลวงมงโหสถยกมือไหว้นางบริภาชิกา นามบริภาชจิกาคิดจะทดลองว่าโมโหสดจะเป็นมันดิตสมดังคำเล่าลือหรือไม่จึาเนีมองดูโมโหสดแล้วก็แแบมือออกนะแบมือออกความหมายในใจขอนนางก็คือจะถามว่ามโหสดมาอยู่กับพระเจ้าเจรนนิินได้รับความอุปถัมภ์จากพระองค์เป็นอย่างดี หรือว่าไม่รับความผิดทำอะไรนี่เป็การตีใบ้กันแล้วลอบภาษากลางอะไรคันนี้นะไปดูนะครับแยบ้มมือออกอยากจะทำมาอยู่ที่นี่นะเนี่ยเขาบอกทำดีหรือหรือว่าไม่มีอะไรเลยเออใส่ความทราบความหมายเขนานำปฏิภัยกาเจด้กรรมมือตอบเวลานี้อันนี้ก็จะชกกันนะดิความหมายในใจเราเขาบอก็คือแต่ว่าพระเจ้าจุล น, นีเนี่ยทรงเป็นเหมือนกับ กำลังปรหัดไว้ยังไม่ได้พระราชทานเสียงใดที่พระองค์ไม่เคยพระราชทานแก่พระเจ้าเลยความหมายว่าพระราชทานเฉพาะแต่สิ่งที่เคยพระราชทานเท่านั้นนางบริพายิกาทราบความในใจคำโหสุดคำโหสุดแล้วยังได้ตั้งปัญหาต่อไปโดยยกมือขึ้นลูกพิษะ มี่หมายความนี่ว่าอยากจะถามว่าทำไมท่านจึงไม่บทเหมือนตอมาเสล่าเมื่อห้อยขดลูกความหมายที่จยกมือตอบโดยโดยมือลูกทองความหมายก็คือตอบว่าข้าพเจ้าต้องเลี้ยงบทและพัญญาแต่บทไม่ได้ hey. เออจะมาในลูกหลานที่รักเนี่ยเขาเล่นตีใบกัน เมื่อได้สองคนสนทนากันโดยให้ความรู้ความหมายด้วยกันที่ท่าทางแล้วต่างก็หลากลับนางปริพาจิกากลับพระที่อยู่ของนางมโหสดก็ไปรับประชการในพระราชสำนักบันดาหญิงที่บรรนานจันทาทีวีสั่งไว้ให้ก็จะผิดข้อวิดรูปของมโหสด <c oughs> ยืนอยู่ที่หน้าต่างเห็นริยาการของโหสถกับนางปริพายิกาเช่นนัน้นเข้าใจว่ า, าคงจะมีเลือดในอะไรสักอย่างหนึ่งจึงพากันเข้าไปพ่อพระเจ้าจุลนีกระดาษทูลว่าข้าแต่พระองค์โอโฮสต์กับนางเพรีพรรปริพายิกาคิดม่ดีไม่ร้ายต่อพระองค์หวังจะเชีย่ยได้จะสมบมววัติของพระองค์พระเจ้าค่ะเอาแล้ว พระราชาจึงตัดว่าผู้เจ้ารู้ได้ยังไงยิ่งเมื่อหลายเหล่านั้นก็กราบทูลว่าข้าแต่พระมหาราชานางบริพายิกาฉันพัะตาหารในพระราชวังเสร็จแล้วลงจากประสาทไปกับพระโหสถผู้ม่อมฉันได้เห็นนางบริพายิกาทํารหัสกับพระโหสดไปเจ้าค่ะพระราชาถามว่าเขาทํารหัสอะไรกันมันแบบไหนรหัส แล้วหัสสมัยนั้นเขาชักน้ำเขาา้ามาแตตีความหมายนั่นเองยิ่งเหานั้นยิ่งก็กราบถึงว่านามปริพายิกาเหยียดมือนะเยียดมือไปให้มโหสุดเพค่ะพระราชาถามว่าพระเจ้าเข้าใจความหมายว่ายังไงล่ะนี้งเหล่านั้นกลาบถึงว่ากระหม่อมฉันรู้ความหมายของนามปริพายิกาที่เยียดมือไปนั้น เพื่อจะถามโมโหสถว่าท่านสามารถจะทําพระราชาอทําร้ายพระราชาให้ราบคาบเหมือนเหมือนแบ่ฝ่ามือเหมือนฝ่ามืแบ่หรือว่าให้ราบคาบเหมือนกับลานนวดข้าวแล้วจริงน่าจะสมบัติได้หรือพระราชาตัดว่าแล้วมโหสดเขาทำยังไงนี่เรื่นั้นก็กลาดทุนว่าโมโหสถได้กำมือตอบผิดคะ พระราชาถามว่าวพระุู้เจ้ามีความเข้าใจว่ายังไงยิงเล่นหลายเหล่านั้นยิงกล่าวถือว่าหม่อมฉันมีความรู้สึกว่าความหมายนั่นของมงโหสถิกรรมมือก็แสดงว่าการจับดาบจะตัดทศเสียงของเชีราจสมบัติให้อยู่ในกำ ม, มือพระเจ้าข่าพระอาชาถามว่านางปริภาญกาทายังไงต่อไปอีก ยเรื่อหลายเหล่านั้นจึงไดกลาวถึงว่านามบริภายการยกมือครุฑพิสสะพิฆาตพระราชาจินจะถามว่าพระเจ้าเข้าใจว่ายังไงยเรื่อหลายเหล่านั้นก็กล่าวถึงว่ามอมฉันเข้าใจว่าความหมายนั้นหมายนามบริภายการที่ยกมือครุฑพิสสะก็คือจะถามว่ามโหสถท่านเพียงจะตัดทิสสะพระราชาอย่างเดียวท่านหรือ พระราชาถามว่าโมโหสถทำยังไงยินเล่นหลายเหล่านั้นก็กราบทูลว่ามโหสถลูกทองของตนที่ขาพระราชาตัดถามว่าแล้วพระเจ้าเข้ า, าใจว่ายังไงยินเล่นหลายเหล่านั้นก็กราบทูลว่าหม่อมฉันเข้าใจความที่โมโหสถมือลูกทองของตนนั้นก็คือตอบว่าไม่ใช่เพียงแต่ตัดสดเสียนพระราชาอย่างเดียว จะตัดกลางตัวด้วยค่าแต่ประองค์ขอพระองค์จะได้ทรงไว้วางพระเจนไทยในมโหสถเลยคนจะฆ่ามโหสถได้ก่อนเธอพระเจ้าค่ะอนหน่อยเอาคนแล้วเอาคนแล้วนี่ลูกหลานที่รักจำไม่นะว่าเราทำความดีแต่คนอภิดีที่ข่าเรามันคอยมีอยู่เสมอหั้งปู่จะได้บอกว่าทุกคนเราคิดว่าเขาไปมิตร และ ว, ว่าจงคิดว่าทุกคนอาจจะเป็นศัตรูคอยระวังไว้ด้วยคิดไว้าดังสองอย่างอันดับแรกจะเพิ่มคิดเป็นศัตรูเขาก่อนคิดว่าเขาเป็ น, นมิตรเมื่อคอยสะกิตใจว่าคนนี้อาจจะเป็นศัตรูรรกับเราเมืาหลายคนได้พระเจ้าจุนันนีทรงสดับถ้อยคําของคนเหล่านั้นทรงอนุญาตว่าเป็นไปไม่ได้ที่มโหสถจะคิดไปทุษรายเรา เราจะต้องถามนางบริพายิกาดูก่อนวันหนึ่งขณะที่นางบริพายิกาไปฉันที่พระราชวงังตามปกติเมื่อฉันเสร็จพระราชาจึงตัดถามว่าข้าแต่พระแม่เจา้าพระแม่เจ้าได้พบกับมโหสถแล้วหรือยังจะตอบดีจะไม่ตอบดีลูหลานที่รักเป็นอนุวาสนางบริพายิกาก็ตอบว่าขอถวายพระพร เมื่อวันนี้แต่มาได้ฉันเสร็จแล้วออกไปทางนอกด์ดเลยพกกรบอกหอสดแล้วขอถว า, ายพระพรไปไพกกพเป็นนักพบกันพนดีเป็นอนว่าสําหรับวันนี้บรรดาลูกหลานที่รักเราก็คุยันต่อไปไม่ได้เพราะเวลามันหมดก็ขอต้องยุติไว้แต่คือนวันนี้วันนี้ขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิที่พระเจนะินมงคลสมบูรณ์ผนผลจังมีแด่ท่านเจ้าหน้าที่ในสถานีนี้ทุกคน และขอทุกคนคือบรรดาเป็นพุทธศาสนิกชนในโลกหลานที่รักทั้งหมดและเจ้าหน้าที่เขาสาานีด้วยจงประสบแตวความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลและจงเจริญไปด้วยจาตุรพิธรพรชัยทั้งสี่ประการมีอายุวันนะาสุขภพละและปฏิภาณหากทุกท่านมีความประสงค์สิ่งใดก็ค่อยได้สิ่งนั้นสงความเป็นถนาจนทุกประการสวัสดี